า อ, อาจารย์ขอโอกาสช่วใจครับวันนี้มีพระมมหาเถระเข้ามานะครับผู้ใหญ่อาจารย์พระมมหาประวูสอนกรรมฐานมาชุนประนร า, น า, น า, นานขอเโครงการผูดเกษียณโยมพวกเรามาฟังธรรมฟังธรรม ฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติก็ทำ ม, มาเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเพลินเือเสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำก็ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันั้งไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตานเด็กๆไปวัดาสุการา เรียนสมถะแบบท่านพอดีอันนั้นเจ็ดขวบแต่แล้วก็ทําสมถะมาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านก็วรรณะภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ตอนครูบาอาจารย์อยู่ใจมีสเสียเวลาเปล่าๆไปยี่สิกว่าปีฝึกแต่สมถะล้วนๆเลยตั้งี่สิบสอปีซึ่งมีปัชนาไม่เป็น แล้วมันมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันก็มานั่งกําหนดลมหายใจใหายใจเข้าคู่สหาใจออกตัวทําอยู่เองได้แต่ความสงบบ้างความภูมิปัญญาบ้า ง, า ง, าางาก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ภูมิปัญญ า, ามันก็วนๆอยู่เท่านี้เองตกเีย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจะจงกลมสงบ พอรุ่งเช้าไปทำมาหากินทำงานแล้วปร้งใหม่วนเวียนางกระทั่งยีง่สิบสามกรุณาสองห้าปีสองห้าคือ ไ, ได้ไปกราบหลวงดดปู่ดูลพอไปเจอท่านเนี่ยเข้าไปถึ ง, งก็ไปกราบอั้นไม่ได้มีถวายดอกมองดอกไม้อย่างพวกเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการไรนทั้งสิ้นตอนไปถึงก็กราบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติ หปู่ไม่สอนนะปู่หลับตาเงียบๆไปชั่วโมงเราก็กระวนกระวายใจก็ไปหาท่านแปดโมงกวา่าเดี๋ยวสิบโมงต้องขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพจเจ้าตัวไว้อย่างนั้นถ้าหลับตาอยู่ชั่วโมงเราก็ต้องรู่าท่านไม่สอนแนละ้วท่านหลับไปถ้าหลุดตาท่านสอนง่ายๆการปฏิบัติมนะันไม่ยากมันยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติแล้วนะ ถ้าสอนตอบอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วสออันนี้ให้อ่านจิตตนเองเพจริงหลวงปูดูลย์จะเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกท่าสอนล uh, ูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยคน์ของประโยชน์ยไม่มาก รูกติดของท่านรุ่นก่อนหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อมณตรีก็เลยเล่าให้ปรับไปหาท่านไปขอจะไปฟังคำนี้ท่านหลับตายอยู่ท้างนั้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็สอบนี่พอท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้ให้อ่านจิตตัวเองได้ปังคานี้แล้วมันเครื ใ, ใจเครื่องใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อแตเดิมทําแต่สมถะไม่รู้ว่าจะเดินต่ อ, อยังไง ท่อให้ดูจิตตนเองรู้สิกย์บางคนให้ก็ให้ดูกายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่าก็ให้ดูเรื่องเลื่อนแต่ผมคนเล็บตามหลังบางคนก็ดูกระดูกอะไรีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านต่อลงพ่ให้ดูจิตถ้าดูไปแล้วมันก็เหมาะตนกับจริตนิสัยจริตนิสัยของคนมันมีสองกลุ่พวกหนึ่งก็เรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบาย ท่านเหล่านี้หมาะที่จะดูกายเพราะร่างกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สงบแต่อีกพวกหนึง่งเรียกว่าพวกคิดจิตจริตพวกคิดมากพวกคิดมากเหมาะอาการดูจิตใจจิตใจที่เป็นของเปเรียดรวดเร็วการที่เราไปดูเราเห็นกับเปลียนแปกงได้ง่ายแต่เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายท่านก็สอนให้โตกัญจริตนั่นเอง ทุกวันนี้คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อก็มีหลายแบบนะบางคนหลวงพ่อก็ให้ดูกายมันก็ดูจิตแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันทางใจทางมันถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นพวกคิดมากนะคิดมากทํามาหากินก็ใช้คิดคิดเอาไม่ได้ทําไร่ทํานาในคนที่คิดมากมากพุ่นวายอยู่ในการคิดในหบอกที่จะดูจิตใจตัวเองแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนตั้งนิดเดียว ครูดูบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ครานี้อาจิตตนเองทดสอบแค่นี้เองเสร็จแล้วท่าถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจแล้วคัดมันปลื้มนะปลื้มก็รู้สึกเข้าใจที่เชนไม่เข้าใจหรอกมปลื้มท่านบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาเนี่ยต้องไปทำเอานะไปทำรับปากท่านผมจะไปทําเอากลาบลาท่านเอามาพอขึ้นลดไปใจไหนเลย ท่านบอให้ดูจิตตนเองจิตคืออะไรก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่เราไม่รู้อะไรสักอย่างเราทํายังไงดีตกใจตกใจขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกเรากลับมาตั้งหลักทําสมปทาไว้หลวงพ่อก็กลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใจมันสบายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพิจารณนาะ จิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตไม่ไดกอยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายเราออกไปจริงนี่มันซ้ำซ้ำทางไปนะให้การวิเคราะห์ใช่เหตุใช่ผลมันก็ไปตรงกับหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้ที่หลักทำไมเรียนทีแรกท่านไม่ค่อยบอกอะไรให้หลังไปเอจอได้นอาามหาบัวที่เคยสอนมาสอนข้อว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอก มีสติรู้กายรู้ใจลงไปในปัจจุบันมีเท่านี้เองอย่ากเกินเนี้ยออกไปอย่ากเกินกายออกไปตอนนั้นก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมต้องไม่เกินกายออกไปรู้แต่ว่าจิตมันอยู่ในกายเราจะดูจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเกินกายออกไปอันนี้จริงๆก็ตรงกับหลักของพระพุท ธ, ธเจ้านี่เองการทำกรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตน ตัวเราตัวเราก็มีแต่ตายกับใจนี่เองดังนั้เรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจวันหนึ่งละความเห็นผิดาก็ตายกับใจเป็นเราได้เป็นสระโตดาบันได์ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เซึ่กว่าละระหารุไม่ใช่เรื่องตะลาดอะไรเป็นเรื่องตายกับใจทั้งนั้นการปฏิบัติไม่เกิดกายกับใจนี่หลวงพ่อนั่งดูมาเออร่างกายนี้เป็นจิตหรือเปล่า เราจะไม่ให้มันเกิดการจิตอยู่ในผมหรือเปล่าล <c oughs> องจับผมอยู่นะจับแต่ก่อนผมยาวนะก็จับผมดู <c oughs> ในในผมไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยนะ <c oughs> ในขนในเล็บตันหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไล่ไล่ไล่อยู่ในกายเนะีหาจิตไม่เจอตั้งแต่ศรีรษะถึงเท้ า, ก, าก็หาจิตไม่เจอรู้แต่ว่าจิตอยู่ในกายแต่จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าจิตมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กับมันนั่งรถไฟไปนะนั่งไม่ค่อยขยับเนะนั่งนิ่งๆดูเนะี่ความทุกข์มันผ่านเข้ามาความทุกข์มันมาแล้วมันไปมนะันมาแล้วมันไปไม่เห็นได้มีจิตตรงไหนเลยในความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตคือความคิดของเราเองทุกวันนี้ยังมีคนไปถามหลวงพ่อเลยนะว่าจิตกับความคิดเปนะ็นอันเดียวกันหรือเปล่าหลวงพ่อก็มาสังเกตดูมาหัดคิดเลยคิด บทสวดมนต์ขึ้นมาบทเลงพุทโธสุสุทโธกรุณามาฮั่นนาโวคิดคิดบทสวดมนต์นี้ไปแล้วก็เห็นเองขึ้นมาความคิดนี้มันไหลออกมาไหลออกมาจากจิตมาเห็นเลยความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้านึกขึ้นได้ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเวทนาความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเพราะจิตนี้ก็คือคนที่ไปรู้สิ่งต่างๆนั่นเอง ท่านบอกให้เรารู้คนที่ไปรู้สิ่ต่างๆที่อย่างนี้มือรู้อย่างนี้จิตใจมันก็ขอดลอยออกมานะพ อ, อยออกมาได้แวบเดียงจิตของพวกเราที่ไม่ได้เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะรวมอยู่กับอารมมันจะรวมเป็นก้อนๆนะอยู่กลางหน้าอกเป็นรวมกับอารมณ์อยู่ถ้าเรารู้เท่าทันมันจะถอดขอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันจิตกับตายก็แยกกันจิตกับเวทนาก็แยกกัน จิตกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกปวดหน้าปวดหลอดนี้ก็แยกกันค่อยๆแยกออกกันนสึดจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่หากใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ได้แวบเดียวก็ไหลเข้าไปรวมอีกทำไมหลวงพ่อลําบากไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าทําไมมันถึงหลุดออกมาได้มาถึงวันนี้ง่ายมากนะพวกเราที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่หลักเนี่ยแค่เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองจิตใจมันก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดุจละ ถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจมัจะถอด ถ, ถอนตัวเองเออกมาเป็นคนรู้คนดูรุนหลังๆนี่จะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะรูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขี้ยวเขนทรมานรูกติดมากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทํางานต่อบแตบบ่เรียนอย่างยากลำบากมันทาให้เราเห็นสภาวะที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากมารุ่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรับนะ เป็นเรียนรามอะไรนี่นะมีจิวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเยอะแยะติ่งครอบต่อกันก็ ง, ง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วมันจะขี้เกียจ น, นะไม่ค่อยใจสู้เท่าไรก่กรรมฐานาต้องใจสู้มากกัดไม่ปล่อยนี่ปัญจิมันแยกออกจากผู้รู้จากสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันไอ้แป๊บเดียว น, นะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่โห อ, อ, อดทนมากนะในการตามรู้ตามดูอีกนิดหนึ่งรุดออกมาสอ ง, งามแป๊บเอง ลำบากมากถ้าเป็นพวกเราใจสอดหลายคนเนี่ยลำบากขนาดนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรปฏิบัติเนี่ยทาไมมันลำบากมากมากแต่หลวงพ่อไม่เลิกนะเขารู้เข้าดูจิตใจตัวเองไปก็เห็นแต่ว่าเบางวันมันก็ทุกข์มากบางวันมันก็ทุกข์น้อยบางวันจิตใจก็ไปรวมกาลมนะรวมกันเป็นก้อนหนักๆเลยนะบางวันก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรนี่เอาแน่ไม่ได้หนักบ้างเบาบ้าง เรียตะลุมบอลอยู่อย่างนี้อยู่สามเดือนไม่คิดว่าเราดูจิตเป็นเลยไปหาหลวงปู่หลวงปูผมไปดูจิตมาแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันเป็นก้อนนะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่บ้างนะภาวนาบางวันภาวนาดีมก็หลุดออกมาภาวนาไม่ดีมไปรวมกันอีกไปเล่าให้ท่านฟังนึกว่าท่านจะชมนะท่านหน้าตาเฉยๆนั่นนป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตกลับไปดูใหม่ ตอนอย่างนี้นะโอ้โหกลับไปดูใหม่นะต้องมาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เอาละเราเย่าไม่ไปยุ่งกับอากาศจิตมันเป็นยังไงเราจะคอยรู้อย่างที่มันเป็นคอยรู้ไปมันมีความสุข ก, ก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้นะมันเป็นตัวตนมันเป็นอนาตัวตนรู้มันไปนเรื่อยๆตามรู้ตามดูเห ม, มันไปที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรยากหลวงพ่อฝึกตอนนั้นยังรับราชการอยู่งานมาก แต่ว่าไม่ได้เกียงว่างานมากแล้วไม่ปฏิบัติก็ ป, ปฏิบัติได้แต่ตื่นนอนนี่เราต้องกัดติดแล้วต้องทำให้ได้ตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแร้งเลยคอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นเลยถ้านึกได้ว่าใกล้ลองวีแกนนะจะมีความสุขมากเป็นที่สุดความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันความรู้สึกของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกัน เช้าสายบ mm ่เย็นความรู้สึกไม่เมือกันเวลาเรากินข้าวเจอของที่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเจอของไม่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราเจอคนอื่นคนที่เราชอบใจความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งเจอคนที่เราเกลียดความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะพาตาเราไปมองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเช่นเห็นเพื่อนเรามาเราก็ดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน ที่เราได้ยินเสื่งนี้เพราะปลุกใจมีความสุขได้ยินคนก็ด่ากันนะไม่มีความสุกขนาทานแต่ถ้าเราปลุกดา่าตัวเองได้ยินแล้วก็ด่าเรานะมันโมโหนะความรู้สึกนเปลี่ยนใครรู้เรื่อยๆรู้ไ ป, ไปตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปตัดแปลงมนะันหลักความวิปัสสนาจริงๆไงให้รู้รูปนามรู้กายรู้ ใ, ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปตัดแปลงมนะันแล้วเราค่รู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะ ถึงวันหนึ่งใจมันก็แจ้งขึ้นมามันจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่เป็นของโช่วะตาทั้งหมดความสุกก็โช่วะตาวความทุกข์ก็โชคชะตากุศลน่ละกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชชคชะตาวทั้งหมดร่างกายเราเราก็รู้สึกนะร่างกายนี้ก็ของอาศัยโชคชะตาวอะไรอะไรในชีวิตที่ของโช่วะตาวทั้งหมดการที่เราเห็นว่า ขันทก า, ายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะธรรมาธรรมะไม่ใช่อะไรลึกลับอะไรหรอกธรรมะก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตที่ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้จริงๆแล้วเป็นไม่ใช่ตัวเรานี่เราจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราวันนี้กับเราเมื่อวานหรือเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมทางร่างกายนี้เราอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนเดิม แต่ทางจิตใจเราจะรู้สึกว่าเป็นคนเดิมอย่างในนี้ในตัวเรา น, นี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็ ก, ดกๆก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองเนี่เราต้องคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้ว่าจิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดระกรดับเกิดระกระดับนะเกิดระกระดับไปเกิดระกรดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจสมัมมา นิพิทิฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทํากรรมาฐานอะไรก็ทําอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพุดโธพุดโธ ต, ต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปใครจะดูท้องของยุบก็ดูต่อไปอะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายลมก็เทียนก็ขยับต่อไปที่หลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมาฐานนะใครถนัดอะไรก็ใช้อ น, นั้นที่วัดหลวงพ่อเลยมี เพื่อนๆจัดทุกกำนัลนะไปกเชื่อแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้เภาชพบ้อมอย่างหนึ่งไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ละคนแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาบางคนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้บางคนถนัดจะไปรู้ท้องฟองยุบ ก, ก็รู้ไปอะไรก็ได้ ขอให้เป็นกรรมฐานที่เรื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วนะกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทํามันมันททเสียเวลาคุณจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องมารู้การรู้ใจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาอย่างาถ้าเราไปนั่งเที่งไปนะเที่งเทียนเที่งอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราก็กลับมาดูกายดูใจลำบากนิดนึง ถ้าปรับเป็นก็ปรับได้เหมือนกันนะเช่นดูดูไฟไปดูเทียนไปดเค่องกระสินจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีเปลีสีก็รู้กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุก ว, วันนี้มเป็นกรรมฐานที่เรื่องด้วยกายด้วยใจเราก็ทําองเราต่อไปแต่ทําไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราต้องทำมานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไถึงวนอยู่ที่เดิมก็สติตัวจริงไม่เกิดขึ้น คนในโลกนี้ที่มีสติจริงๆเนี่ยนับตัวได้เลยนะผมพ่อกล้าท้าเลยคนในโลกนี้ส่วนมากเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยรู้สึกตัวอย่างแท้จริงเราตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวเฉพาะร่างกายของเราทากันมานั่งอยู่ศาลาลุงชินนี้แต่จิตของเราไม่ตื่นขึ้นมาจิตของเราพอตื่นร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็ไหลเข้าไป้วไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา เราไปอยู่ในโลกของความคิดแนละความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้ของจริงคือไม่เคยรู้กายรู้ใจตัวเองได้เลยเราบ่ได้รู้ความคิดรู้เรื่องราวที่คิดและสติจริงๆไม่เกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิดเราต้องรู้ก่อนสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะใครก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับกันห้าอื่นๆนั่นเอง แต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทําให้สติเกิดคือการที่จิตเราจําสภาวะได้นะเช่นมันจําได้ว่าเผลอไปเป็นยังไงพอใจเราเผลอแวบไปนี่นะสติจะเกิดเองมันจะระลึกขึ้นได้ว่าอ่อเผลอไปสติเป็นความระลึกได้นะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ความระลึกได้ไม่ใช่กําหนดนะคนเราเรื่องกันเลยทุกวันนี้เราชอบกําหนด ไปรู้ลมหายใจเราก็ไปกำหนดลมหายใจไปรู้พุทโธกำหนดพุทโธ ร, รู้เท้ากาหนดท้ารู้มือกำหนดมือไปรู้ท้องเรากำหนดท้องกำหนดนี่ไม่ใช่การเจริญสติกำหนดเป็นการเพ่งเอาไว้เอาใจเป็นแนบอยู่กับลมหายใจได้สมถะเอาใจเป็นแนบไปที่ท้องอันเดียวได้สมทะ สติเกิดจาัด ก, การจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจำสภาวะพอจิตจำสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดแล้วสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะ ก, กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเฉลยเลยหลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้จักตัวสภาวะธรรมนั่นเองโดยเฉพาะสภาวะธรรมทางใจเป็นของดูง่ายสภาวะธรรมทางกายดูยากนะพวกเราชอบนึกว่าดูกายง่ายคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีการทำสมาธิหนุนหลัง เพราะฉะนั้นคูบาอาจารย์วัตถาไม่จริงสมาธินะถ้าทิงสมาธิเราหายท้องเลยถ้าจะเดินแนวของคูบาอาจารย์วัตถาต้องทําสมาธิถ้าทําสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ทําสมาธิเพื่อให้เกิดนิมิต ด, ด้วยนะรื่หลาหๆไปหลงนิมิตกันมากขึ้นมากขึ้นเราทําสมาธิเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นมีสติสะอาดล่ะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นและจะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะว่ากายไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้นการจะทํากรรมฐานที่รู้กายเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอจะเห็นไม่ได้จิตจะได้แต่ไปเคพ่งกายนิ่งๆไว้จะเกิดปัญญายากนิดหนึ่งส่วนการดูจิตใจเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ทําฌานไม่เป็นเหมาะกับคนเมืองคนที่คิดทั้งวันจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็หัดดูความรู้สึกของเราไปนะหัดไปเรื่อยๆเืจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าทํากรรมฐานละ นี่ตอนที่เราจะรู้ว่าจิตใจคุ้มก้านได้แเราก็ต้องหักก่อนเบื้องต้นทํนากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทําพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้นะทําไปทำแล้วหักสังเกตสภาวะไม่ใช่ทําเพื่อให้ใจนิ่งลูกเดียวนะพวกเราหลายคนทําแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดปัญญานะไมันควละเรื่องกันมันเป็นที่พักผ่อนเฉย สมมติเราพุทโธพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจกัรอบไปเอาใจของเราแอบไปคิดใครเคยไหนใจใช่ไหมถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้เลยหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ทำนะว่าใจหนีไปคิดล้วไม่ห้ามมันนะไม่ตําหนีจิตเสี่ยงจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปประเดี๋ยวหนึ่งใจจะเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจ เราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจละหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราพุงาาพ่งต้านรู้ว่าภุ่งต้านนี่ันรู้สภาวะสภาวะภุ้งต้านเกิดขึ้นเราก็รู้ถันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขแล้วเราหายใจไปเรื่อยๆแล้วเราไอรู้จิตรู้ใจของเรานะั้นในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะตั้งมากมาย ก็ไหนฝึกดูท้องของยุคนะดูท้องของยุคไปดูท้องของยุคสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องของยุคไปจิตเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องของยุคไปจิตใจพุ้งต้านรู้ว่าฟุ้งต้านจิตใจสงบหรือว่าสงบมีปีติมีความตกรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความตกหายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงครรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไป ก็เพื่อเป็นการจังหวะการหายใจของเรานะคนไหนขยับมือนะอย่าสายลงก็เทียนท่านสอนขยับมือลวงพ่เทียนท่านเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งคําสอนของท่านนี่เฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องของยุคก็เพื่อให้รู้สึกตัว ให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรานั่นเองนี่ถ้าเราขยับไปมัขยับจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตไปเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลคอยรู้ทันไปนเรืยรู้สภาวะไปเรการที่เราคอยหัดรู้สภาวะเนืองเนืองหัดตามรู้สภาวะเนืองเนืองมันทำให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจาสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้น คนที่ฝึกตามวิตีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิด น, นะโดยทั่วๆไปบางคนมาฟังหลวงพ่อสองวันสามวันคนฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังแปดสองวันสามวันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเพราะ อ, อะไรเข้าไปหัดรู้สถาวันถ้าฟังแล้วไม่ไปหัดรู้สถาบันะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหะาอะไรพัฒนาไม่ได้ แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งมากมายล่ะจิตที่ไม่เคยมีสติจะเกิดสติขึ้นมะาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นจะสงบขึ้นมาถ น, นอมัดอัศจรรย์มากนะแล้วคอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั่งฟังหลวงพ่อก็อหัดรู้สภาวะได้สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อมองหน้าหลวงพ่อนิดนึง ฟังหลวงพอหน่อยหนึ่งแล้วจิตก็สลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเนี่ยหันรู้สภาวะไปนะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หันไปเรื่อยๆอดทนนะเรื่องต้นต้องอดทนมากหันรู้สภาวะไปสิ่งนี้กว่าหลวงพ่อจะกลับออกมาได้นะใช้เวลายากลําบากนะเหนื่อยมากครูบาอาจารย์ไม่บอกให้ท่านบอกให้ไปดูเฉยๆท่านไม่บอกวิธีการให้เลยไม่บอกเลยว่าต้นทางของการปฏิบัติอยู่ตรงไหน ไม่บอกเลยว่าเราต้องไปรู้อะไรที่หลวงพ่อบอกให้หมดแล้วนะว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้ทุกรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจของเราเองสติปัฏฐานสี่ก็เป็นเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยมีเรื่องแต่กายกับใจดังนั้นเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติสติเป็นความราลึกได้ หลวงพ่อบอกละเอียดถึงขนาดว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะจิตจตําสภาวะได้บอกกระทั่งวิธีที่จะทําให้จิตจตําสภาวะได้คือหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหัดดูทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเ <S S 2> ดินจงกรมก็ได้ใครชอบเดินจงกรมก็เดินเดินไปแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ <S <S จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลปั่นรู้เรื่อยๆถ้าฝึดไปอย่างนี้ เราไปสติจะเกิดเองทุกวันนี้ถ้าไปอยู่ที่วัดที่หลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้นะจะมีคนมารายงานการปฏิบัติอยู่เสมอมีทุกวันแหละว่าตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่สติเกิดขึ้นเองแล้วนะกิเลสไว้ตัวแวบขึ้นในจิตสติเห็นกิเลสขาดสะบั้นตรงนั้นเลยเพราสติกับกิเลสมันเกิดร่วมกันไม่ได้ น, ะนี่ก็เห็นกันถึงขนาด น, นี้นะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าเราทําแต่เอาความสงบความนิ่งแนละ้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะขี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนิ่งอยู่22ปีมันไม่เกิดปัญญาก็อะไรเพราะเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงหัดเอานะหัดเอาได้ข่าวว่าที่สราราลูคินนี่เขเทศน์เป็น20นาทีใช่ไหมให้ได้ตัดถึงมากตะโกดฟังได้20นาทีนะหัดเอานะหัดเนา ถ้าฝิดอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันไะด้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนะี่คือหัวใจของการสถิบัติหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากติดแต่สมาธินะเนิ่นช้าอยู่กันในสิบปียี่สปีสามสิบี่สิปีมีนะติดสมาธิหกสิปีก็มี ทำสมาธิมากเลื่อนช้าแต่ไม่ทําเลยไม่ได้นะต้องทําเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นตาคิดพิจารณามากฟร้งซ่านธรรมะไม่ได้เอาไว้คิดนะแต่ถ้าจิตใจมันเป็นติดความสุขความสงบเฉยๆอยู่ก็ช่วยเป็นคิดพิจารณาเช่นพิจารณากายเป็นอุบายแก้ความติดสงบติดเฉยแต่ถ้าคิดอย่างเดียวเนี่งฟุ้งซานโลกุมั่นท่านสรุปเลยบอกว่า หัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าใจฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างเราหัดดูสภาวะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยต่อไปจิตมันรู้จักสภาวะใจเผลอไปคิดก็รู้ใจวิ่งไปดูก็รู้ใจวิ่งไปฟังก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลอกุศลน ะ, ะรู้หมด พอรู้แล้วเนี่ยเราสามารถจเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติเลยมันปฏิบัติของมันเองแค่ตื่นนอนที่หลวงพ่อเราเมื่อกี้ตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเห็นแล้วว่าใจแห้งแล้งเห็นแล้วมันได้อะไรมันได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองใจทีแรกเฉยเฉยนะพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาความเฉยดับไปเกิดใจที่แห้งแล้งขึ้นแทรกเห็นไหมจิตที่เฉยเฉยไม่เที่ยงเกิดจิตที่แห้งแล้งขึ้นแทร พัสติระรู้ว่าจิตแห้งแล้งจิตที่แห้งแล้งจะดับทันทีเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเห็นอีกจิตที่แห้งแล้งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นแผนจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพัสติระรู้ลงไปอีกจิตความเบิกบานก็จะกลายเป็นอุเบกขานิ่งๆขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเลยจิตที่เบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตที่มิวเบกขาเหลืออีกแวบหนึ่ง จะเผลอ ER ละห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เรียนเพื่อห้ามเผลอ ER นะแต่อยัาเผลอ ER นานใจอาจจะเผลอ ER ไปคิดเรื่องอื่นเช่นพ้อต้องรีบไปอาบน้ําแล้วนะตืนลแล้วใจลุกลี้ลุกลนขึ้นมาตรงนี้เป็นอกั ก, กขุสสนแล้ลวใจ ล, ล, ล, ลุกลี้ลุกลนขึ้นมาลืมเนื้อลืมตัวสติระลึกปั๊บเลยอ้อเผลอไปอีกแล้วนะลุกลี้ลุกลนขึ้นมาแล้วเดินไปจะไปอาบน้ําเนี่ยสมมติว่าหน้าหนาวเปิดประตูห้องน้ําไปเห็นตุ่มน้ํา พอตามองเห็นสุ่มน้ําในฤดูหนาวเนี่ยใจสยอบเห็นทันทีว่าใจสยบนี่มันจะเห็นของมันตามหลังไปเรื่อยๆนะกินข้าวก็เหมือนกันนะทําได้สมมุติว่าเราชอบกินไข่เจียวตาเรามองเห็นแกะไข่เจียวจ ม, มูกเราได้กลิ่นหอมเนี่ยมันชอบนะมันอยากกินความอยากกินเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยากกินนี่เรียกว่าปฏิบัติเราจะเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆแต่ใจตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้น เรารู้ทันนั้นใจมีความอยากความอยากก็จะขาดสะพานลงไปอีกเป็นอุเบกขาขึ้นมาอีกนะหรืออาจจะเบิกบานขึ้นมาสภาวะอะไรเกิดต่อเรื่องมันก็คอยรู้ไปเรื่อยๆตึกอยู่อย่างนี้แหละตึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปขึ้นรถเมย์นะตอนเชา้าไปขึ้นรถเมย์ไปทํางานออกมาที่ใต้รถเมย์เห็นคนเยอะพอๆกันที่ศาราลุงชินเนี่ยนะเรามีเพื่อนร่วมทางมากมีความสุขไหมมันไม่สุขนะเห็นคนเยอะเยอะรุ้มใจนะ รู้ใจรู้ว่าร่มใจนะรถเมย์มารถเมย์ว่างๆเราดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเปลี่ยใจดีใจเป็นโกรธนะีน่ต้นของเราอยู่อย่างเนี้ยเราภาพตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะแต่ถึงที่ทํางานเนะมื่อก่อนอยู่ทาเนียบรัฐบาลเอาเวลาเหลือสิบนาทีนะเดินพอดน่องชมนกชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแนมะ้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขลนะจิตใจเราเปลี่ยน นี่แสดงไตรลักษณ์อยู่ตรงนี้แสดงทั้งวันมีความสุขไปแล้วเราก็นึกได้วันนี้หัวหน้ากองไม่มานะหวหน้ากองจะเป็นประชุมที่อยู่จิตใจมีความสุขเป็นสองเท่าแเ้าพ้ฒนาการที่ดีพอเดินขึ้นมาถึงห้องทํางานเจ้าเอกหัวหน้ากองมาอ้าวผิดหวงังผิดหวังรู้ว่าผิดหวงังได้หักฝึกไปเฝึกไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีฝึกไป ถ้าฝึเราอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรมากฝึกไปคารวะก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําได้ทั้งหมดเน่ยเราทำมาค้าขายก็ทําได้ค้าขายเช่นวันนี้ลูกค้าเราเยอะเลยดีใจวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเยไม่สบายใจ <S <S ที่วัดหลวงพ่อก็มีหมอไปเยอะนะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหมอเนี่ยหมอก็จะเด็นชัดอย่างวันไหนขับรถเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้รถออกมาหน้าประตูโรงพยาบาล หมอจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขตามเย็ยนขับรถไปที่คลินิกนะคนไข้ล้นออกมาหน้าถนนมีความสุขเรืนะ่อง <c oughs> แบบเขารู้ทันนะรู้ทันใจของเรา <c oughs> รู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์แสดงธรรมะให้ดูธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรธรรมะคือกายกับใจของเรานี่แหละที่เขาแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ให้ดูค่อยรู้สึกแต่ ถ้าฝึกอยูองนี้นะเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองแลใจจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวเราก็เห็นกายเห็นใจเนืองเนือเห็นบ่อยๆมันเห็นเองไม่ได้เจ็ดนา น, นจะเห็นพอเห็นมากข้ามมากข้าปัญญ า, าจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราเข้าใจ rồi. แหละร่างกายนี้เป็นตัวทุกขล้วนๆจิตใจก็เป็นตัวทุกข์ใช ไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเลยถ้าเข้าใจอย่างเนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตใจมันจะหมดภาระนะมีแต่ความสุขล้วนๆดังนั้นเราเรียนกรรมฐานเราค่อยๆฝึกไปเนความสุขมันมาหาสารรอเราอยู่ข้างหน้านแต่ถ้าเราฝึกผิดนะ ล, มล้มลุกลุกลาเหนื่อยยากนะลาบากมากฟังให้รู้เรื่องก่อนหลวงพ่อมักจะมีซีดีแจกบ้างแจกหนังสือแจกคลดีบ้างนะไล่ไปแล้วพยายามฟังเลย ฟังไปจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าง่ายง่ายง่ายมากเขาฝึกกัน 7, 000, 7เจดวันเจ็ดเดือนใบนี้เขามีนะไม่ใช่ไม่มีหกเดือนก็มีที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจขึ้นมาดูมันเข้าไปบ่อยๆสิอย่าลืมตัวเองแต่ว่าพวกเราจะลืมกายลืมใจของเราเองทั้งวันเพราะทั้งวันเราเอาแต่คิดความคิดนี่แหละปิดบงังความจริงเอาไว้ความคิดไม่ใช่ความจริง อเราตื่นขึ้นมาเราก็นั่งคิดคิดคิดคิดไปทั้งวันทั้งแต่เช้ายันค่ําค่ํายันดึกนะหลับไปก็ไปฝันต่อฝันก็คือคิดยามหลับนั่นและเป็นความคิดคือความฝันเมื่อยามตื่นหลงหลงไปธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ตั้งได้อย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วนี่มันจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ น, นี่เป็นกฎธรรมชาตินะเป็นกฎเลยเป็นกฎธรรมชาติ เระฉะนั้นตราบใดที่เรายัางหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เราทํามิปัท ส, สนาไม่ได้ลงพ่อเกียรตินนะีท่านสอนดีนะพักเกียรหลวงพ่อไม่ได้เรียนแต่ท่านไปอ่านธรรมะของท่านแนละ้วเออท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งโลกนั้นรู้แต่เรื่องที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกําลังไปคิดอยู่ ทันตีที่เรารู้ว่าจิตกําลังไปคิดอยู่นะเราจะตื่นขึ้นในสัมผัสเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวในสัมผัสเนยเราจะเห็นทันตีในกายนี้ไม่ใช่เราเราจะเห็นทันตีเลยจิตนี้ไม่เที่ยงจะเห็นมลงไปเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งจิตมันพอแล้วมันตัดสินความรู้นะมันรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะไม่ใช่เรื่องคนมิใสยไม่ใช่เรื่องหมดยุคหมดสมัยแล้ว ไปรทำใครก็ได้ทําแทนกันไม่ได้นะที่สําคัญต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเรายังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการดํารงชีวิตของเราเป็นคนละส่วนกันเรายังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานมากถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตปกติของเราเป็นอันเดียวกันเราใกล้ต่อมรรคผลนิพพานลนะเมื่อต่อแสามวันก่อนนะมีเด็กหนุ่มหนุ่มคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อที่วัดสงฆ์พ่อ บอกว่าผมจะฝึกเดินจงกรมจะเดินยังไงผลวพ่อเรียกเลยบองเอาออกมาเดินหน้าชั้นเนี่ยมีที่อย่าเนเอกมาเดินเลยให้คนเป็นร้อยเนี่ยดูแล้วก็ใจเด็ดนหน้าไอ้หนุ่มเนี่ยลุกออกมาจริงลุกเดินก้มก้มก้มออกมาหลวงพ่อก็รีบบอกอย่าเพิ่งเดินรู้สึกไหมที่เดินมาสามสี่เก้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยนะต้องอะไรเขาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติ เดี๋ยวต้องมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมต่อถึงจะเริ่มการปฏิบัติเดินอยู่ทุกๆุก้าวนี่ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติไม่แยกการปฏิบัติแต่ชีวิตออกจากกันนะแท้จริงการปฏิบัติทำเปตลอดเวลานะเท่าที่มีสติจะทาได้ไม่ใช่ไปแบ่งว่าช่วงนี้คือเวลาปฏิบัติช่วงนี้ไม่ต้องปฏิบัติคําว่าไม่ต้องปฏิบัติต้องไม่มีอยู่ในสาระบบของเราเลยถ้าอยากได้มากผลจริงๆนั้นลุกขึ้นมาหาลวงพ่อเรียกให้มาเดินจงกรม ถ้าหลวงพ่อเรียกให้เดินจงกรมก็หมายถึงว่าทุกก้าวที่เดินมาเนี่แหละเดินจงกรมทั้งหมดแต่ไม่ใช่เดินย่องย่องมานะไม่ใช่การเดินจงกรมคือการย่องย่องย่องนั้นไม่ใช่นะทุกก้าวที่เดินปกตินี่แหละถ้ามีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยถ้าขาดสติถึงมาเดินกลับไปกลับมาเดินงุ่มง่ามช้าช้าก็ไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินสเปสสปะโดยขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสติทุกก้าวที่เดินนั่นแหละคือการเดินจงกรม นี่หน่มคนนี้เขาไม่เดินจงกรมคือไม่เจริญสติหลวงพ่อเรียกให้มาเดินโชว์ก็ลุกขึ้นมาขับสติเลยลืมเนื้อลืมตัวตื่นเต้นนะไม่รู้ว่าตื่นเต้นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ร่างกายกำลังเดินอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้พอเดินมาถึงหัวทางจงกรมทำอะไรรู้หัหยวางฟอมนี่นะักปฏิบัติชอบทาอย่างนี้ เวลาที่ไม่ได้คิดว่าเป็นเวลาปฏิบัตินะก็หลงไปเลยเผลอไปเลยพอคิดถึงการปฏิบัติมนะันก็บังคับกายบังคับใจทันทีเลยนี่แหละคือความสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามสุดโต่งอันที่หนึ่งชื่อการมาสุขผลิการุโยค ก, การหลงตามกิเลสนั่นเองอย่างเราหลงตามกิเลสเช่นเราหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปดูเขาลืมตัวเองนะหลงไปฟังเขาคุยกันลืมตัวเองหลงไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองนี่หลงตามกิเลส เป็นความรุงแต่งปัาชั่วพอคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางปอมถึงถึงพวกเราเป็นไหมเป็นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะคือนักวางฟอมต้องทําถืนให้มันจะดูสง่างามดีนะน่านับถือหารู้ไหมว่าเดินช็อปปิ้งก็เดินตรงกรมไดนะ้เดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องย่องนะลดพับเอา เดินกปกติเหมือนที่พ่อที่แม่สอนให้เดินนั่นแหละแต่เติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวลงไปอย่าใจลอยคำว่าใจลอยก็คือขาดสตินั่นเองอาการของมันก็คือเราไปหลงคิดแไปประมวลแต่รู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละเรียกว่าใจลอยถ้าเมื่อไหร่ใจเราแอบไปคิดปุ๊บรู้ทันมาคิดเรียกว่ามีสติแล้วเราจะรู้กายเราจะรู้ใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้ได้นะ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องรู้สึกตัวต้องรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแต่ไม่ใช่วางฟอรไปเที่งให้มันนิ่งๆิ่งไม่ใช่เดินให้มันผิดธรรมดาไม่ใช่ตาบังคับใจให้นิ่งผิดธรรมดารู้ไปตามธรรมดานั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจธรรมดานั่นแหละธรรมะะ่ะ ธรรมดาของกายของใจก็คือกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่ยต้องการให้เห็นธรรมดาคือแค่นี้เองก็เห็นแล้วต่อไปรู้ความจริงเออกายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงได้พระโสดาบันนะมาหมดความยึดถือในร่างกายละหมดความเพิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายละอันนี้คือภูมิของกราณาคามี ต่อมาฝึกปฏิบัติเข้านะจิตมันเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมานะเส่อนใหญ่ก็จะโงงแล้วอยู่ที่นี่เองถ้าสติปัญญายแก่รอบอีกหรือครูบาอาจารย์เคยบอกให้จะเห็นอีกตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละ ต, ต, ต, ตัวอนัตตาจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วถึงจะหมดภู ร, ร, รักษ์คามสับสนาหมดความทุกข์กระตรงนั่นเอง ครบาอาจารย์ท่านก็สอนต่อๆกันมาอย่างนี้นะเพราะประจาจำท่านมาบอกให้พวกเราฝักใจลอ ย, ลอยนล้หรู้จักใจลอยอยังรู้สึกไหมมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่ก็ลืมตัวเองนะเห็นหมมีแต่คนลืมนะคนนี้ลเลยเกรงเลยบังคับตัวเองรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลย เอาวันนี้เทศจบแล้วนะใครอยากกลับบ้านเชิญใครอยากแกะกลับก็เชิญนะเชิญไนดะ้ไม่ว่ากนะันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทในโรงคูณเรียนเทศนะต่างกันยี่สิบนาทีเม ก, กับบ้านเนาะอย่านี้อึดหน้าดูเลยแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อนะไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลาเลยหนเลยหยน้าซ้ำๆคนนึงต้องไล่แล้วไล่ไม่ยอมกลับ อย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาสม่ใเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบ า, าจารย์เนี่ยพอรู้วิธีเท่านั้นะหลวงพ่อกราบนะกราบลานะ้วผมจะไปทำนะป แ, าาาแล้วผมไม่า ม, นะามาหนังแค่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่แลวนะหลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขเห็นแ้วเหลอเลือเรื่อเปลือกเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบๆทายืนเดินนั่งนอนรู้สึกไป ทำ่ามีเท่านี้นะมีเท่านี้เองเริ่มเบื้องต้นหัดรู้จักสภาวะหาลมันนึงขึ้นมาตั้งไว้ก่อนพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้ดูเท้าก็ได้นะหรือจะดูจิตดูใจเข้าไปตรงๆเลยก็ได้ดูเวทนาก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นกายกับใจของเราดูแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปไม่มีอะไรง่าย พอจิตมนันรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเองสภาวะอะไรเกิดสติเกิดเองจิตสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองปัญญาจะตามมาพอปัญญาแก่รอบวิมุติจะเกิดขึ้นเองแใ่ปล่อยวางเองไม่ต้องก้อนบอนลให้ปล่อยนะไม่ต้องเชื้อเชิญให้ปล่อยปล่อยเองไม่ไม่หยิบไปหรอกนะแต่เดิมเราคิดว่าอันนี้เป็นของดีสมมติว่านี่เป็นของดีสมมตินี่คือร่างกายจิตใจของเร า, เ ร, ารู้สึกว่าเป็นของดีของวิเศษ เราเปึกมากข้ามากข้าเราเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจึงจะยอมบาดยกตัวอย่างอย่างร่างกายของเราเราพากันนั่งพอเราเมื่อยเราก็เปี่นอิดียาบถแป๊บเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ทันรู้ความจริงของกายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงของกายเรานอนนั่งนะเบื้องต้นนั่งให้สบายก่อนหน้าสักพักเดี๋ยวมันเมื่อยมันเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิดียาบถเช่นพับเทียบเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างขวา เปลี่ยนอิริยาบถพบความเมื่อย ห, หายไปจิตใจมีความสบายขึ้นมาร่างกายสบายขึ้นเดี๋ยวามเมื่อยเราก็ขยับตัวอีกนี่คนทั้งหลายก็ขยับตัวทั้งวันนะแต่ทั้งนอนหลับนอนหลับก็เมื่อยนะนอนหลับก็เมื่อยต้องซิกไปซิกมาคือหนึ่งิกสี่สิบห้าสิบครั้งนะคนคนหนึ่งแพราะอะไรก็มันทุกข์ความทุกข์มันดิบซ้ำตลอดนั่งอยู่มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะนอนอยู่ทุกข์ก็ต้องลิกไปซิกมา นี่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้กายไปเรื่อยๆทุกอิริยาบถเราจะเห็นเลยความทุกข์บีบคันร่างกายนี้ทุกๆอิริยาบถถ้าเรารู้ลมหายใจล่ะเราจะเห็นความทุกข์บีบคันร่างกายนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่หายใจเลยเราทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมากๆก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์อีก นี่ความทุกข์บีบพันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยความทุกข์าเล่นงานเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะกายนี้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างหรอกแต่เดิมเราคิดว่าร่างกายมีแต่ความสุขเจ็บป่วยขึ้นมาถึงจะมีความทุกข์แต่ถ้ามามีสติรู้อยู่ที่กายเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเลยทุกข์มากกับทุกข เนี่ยพอจิตใจของเรารู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเวลาร่างกายนี้จะแตกดับจะไม่ทุรนทุรายนะจิตใจของเราจะไม่ทุรนทุรายมันจะไม่เสียดายว่าตัวดีกําลังจะตายแต่มันรู้สึกว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกและวสมน้ําหน้ามันนะจิตใจมันจะห้าวหานแล้วถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจเลยจะเห็นจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายค่อยดูไปเรื่อย แต่ว่าวันๆหนึ่งเราวิ่งหาความสุขทั้งวันนะเราอยากจะมีความสุขไปดูหนังฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปมีโผล่มีเมียอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขนะอยากมีลูกก็หวังว่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยมีงานมีการก็อยากจะมีความสุขทําอะไรสารพัดเพื่อหาความสุขแต่ถ้าเรามามีสติรู้จิตใจของเราเราจะเห็นในความสุขอยู่แวบเดียวเองความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะอย่างคนไม่มีเมียนะอยากได้เมียคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขพอได้เมียมาจะรู้สึกว่างั้นๆน่ะ งั้นั้นนะแต่อย่าไปบอกให้เมียรู้นะความจริงไม่พูดก็ได้นะรู้เอาไว้เฉพาะตัวเนี่ยเราจะวิ่งหาความสุขแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เลยความสุขสั้นนิดเดียวหรือบางคนอยากได้รถรุ่นใหม่เก็บเงินแทบตายเลยไปซื้อรถลําบากข้างนานไปซื้อรถมาขับนะมันมีความสุขประเดียเด๋ยวเดียวนะเสร็จแล้วเริ่มกลุ่มใจแล้วกลัวคนมาขวัญรดเราดีแต่ความสุกขตามใหม่แล้วความสุขมันสั้นนิดเดียว ถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดิ้นรนของจิตใจที่จะวิ่งหาความสุขตลอดเวลาความดิ้นรนของจิตใจที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลามันจะหายไปนะจิตใจหมดการดิ้นรนเลยจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยฝึกไปนะเราจะมีความสุขรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจเลยนั่นมันทุกข์ล้วนๆแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันจะปล่อยวางว่นนั้นถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยออกครับขออย่าง หลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกวันนะมีหลักฐานว่าเทศเหมือนกันทุกวันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อได้เหมือนกันทุกม้วนอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ทําไมจะต้องฟังหลายแผ่นเนาะ <ทำ S 1> แผ่นเดียวพอแล้วมันเหมือนกันทุกวันคือฟังแล้วก็ต้องขับให้เป็นเท่านั้นนะทให้เป็นพวกเราที่นี่หลายคนนะเวลามาถามปัญหาหลวงพ่อปัญหาส่วนใหญ่ที่พวกเราถามจะเป็นเรื่องของการปิดสมถะนะ สมถะเช่นมานั่งถามหลวงพ่อว่ า, านั่งสมาธิไปแล้วตัวโปร่งๆมันเป็นยังไงตัวเบาๆเป็นไงบางทีก็รู้สึกตัวหนักๆเเป็นยังไงไม่ได้เป็นไรนะเป็นสมถะไม่ได้เป็นอะไรหรอกบางคนก็ปฏิบัติแล้วบอกเนี่ยจิตใจสงบนิ่งมาสามปีแล้วนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันช่างมีความตกแล้วเกิด น, นี่ก็ติดสมถะยอะไรมันจะนิ่งอย่างนั้นเราต้องการปฏิบัติให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ต้องการปฏิบัติให้มันนิ่ง ปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์อย่างกายกับใจเหานี้เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะเพื่อให้เห็นเลยอย่างจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัติให้เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นสุขจิตใจเป็นอนัตตาไม่ได้ฝึกบังคับมันให้ได้แต่ฝึกให้เห็นธรรมดาของมันเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนะตาพอเห็นธรรมดาแล้วมันปล่อยนะปล่อยวางงั้นไม่ได้ไปฝึกให้นิ่ง พอหลวงพ่อให้ถามนะตอนนี้จะไม่มีคนถามแต่พอเลิกแล้วจะมาถามส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องติดสมถะนัเนี่ยนั้นหลวงพ่อตอบเหมาเหมาเลยนะใครจะถามเรื่องสมถะนะไป ห, หาหนังสืออ่านเอานะอลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างมสมถามันง่ายเพ่งนอยนิ่งนิ่งมันก็ได้แล้วสมถาอ้าวใครจะถามคุณมวลเอาไหมอ้าวว่างไง ไม่มีก็เริกเฉือนเฉิอ น, นอยูคื อ, <c oughs> ค, อคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มรรคเกิดมย แลง้นก่อนที่มรรคจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้ดูเข้าไปถึงจิตถึงใจที่ตัวจริงของมันหรอกเราจะดูจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งเพั้นสรุปง่ายๆเลยเราดูสองอย่างเบื้องต้นเราดูความรู้สึกซึ่งไม่ใช่จิตหรอกในจิตตาดูปรัชนาดูให้ดีท่านบอกจิตมีราคารู้ว่ามีราคะใช่ไหมท่านไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูตัวราคะจิตมีราคารู้ว่ามีราคะแต่ท่านไม่ได้สอนว่ามีราคาแล้วให้ละซะด้วยให้รู้เฉยๆ ทันทีที่สติเกิดราคาจะดับเองเพราะฉั้นเบื้องต้นให้เราดูความรู้สึกไปยังไม่ใช่ตัวจิตหรอกนะต่อมาถ้าสติปัญญาของเราปราดเตรียมขึ้นเราจะเริ่มดูจิตได้นะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางขณะก็มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยจิตเกิดทางตาจิตมาดูบางขณะก็ไปเกิดทางหูไปฟังนะบางขณะก็ไปเกิดทางใจไปคิด ดูให้เห็นเลยจิตมันสลับกันอยู่ทางตาหูจมูกริ้นกายใจโดยเฉพาะทางใจเกิดมากแล้วเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวก็ไปทางใจอันนี้เราเห็นสภาวะความเกิดดับของจิตอย่างนี้เข้ามาดูจิตแล้วแต่ว่าพอดูมากเข้ามากเข้าเนี่ยที่กําลังแก่ก้าเพียงพอจิตจะรวมลงมาคราวนี้จะถึงจิตตัวจริงของมันละค่อยๆดูปเป็นลําดับนะดูไปอยู่ๆจะไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้ เรางู่ดูลย์เคยสอนบอกอยาใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอสอนประโยคนี้ไว้ดังนั้นให้เรารู้ทันราคะเกิดขึ้นมาก็รู้โทสะเกิดขึ้นมาก็รู้รู้พวกนี้ไปก่อนรู้เจตสิกไปก่อนยังไม่ใช่รู้ตัวจิตหรอกเพราะว่าอะไรพระจิตจริงๆว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างไปหมดเราไปดูทีไรก็จะเห็นแต่ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเราก็อาศัยเจตสิกนั่นแหละทําให้แยกชนิดของจิตได้ ว่าเออจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีราคะเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีโทสะจิตแหละแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะอาศัยเจตสิกนั่นแหละไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆจิตอย่าไปดูมันตรงๆนะถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆไปเฉยๆหลวงพอเคยสงสัยนะสมัยก่อนพอดูจิตแล้วเราพบว่าเออผู้รู้กับสิ่งที่สุๆรู้มันแยกจากกัน เราดูตัวนี้เดิมดูอยู่ตร่ที่กลางหน้าอกเนี่ยอาจารย์มหาบัวถึงสอนเลยทำแทกเกิดขึ้นกลางอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกูต่อหน้ากูต่อเนื้อผุดขึ้นตรงนี้เองมั๊กก็เกิดขึ้นตรงนี้เองเข้ารู้เข้าดูไปเสร็จแล้วพอเราดูมากๆเข้าเราพบว่าไอ้คนดูมันอยู่ข้างบนนะอจิตมันอยู่ข้างล่างเราภาคสงสว่าแล้วเราจะดูตัวไหนถ้าดูตัวนี้ไม่มีทุกข์เลยดูตัวจิตนี่ยไม่มีทุกข์เลย ถ้าดูตัวความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ทุกร้วนร้อนเลยเอยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็น่าจะรู้ไอ้ตัวข้างล่างหลวงปู่ ด, ดูบอกให้ดูจิตเราน่าจะดูตัวบนเนี่ยฟังภาษามนุษย์เนี่ยมันยุ่งตรงนี้ความสงสัยของหลวงพ่อเนี่ยดําเนินอยู่เกือบยีสิบปีแนละ้วตั้งแต่ปฏิบัติขยับจะถามครูบาอาจารย์นะว่าจะให้ดูตัวไหนแนะ่แต่ไม่ไม่ถามนะเอาไว้ดูเอาไว้สังเกตเองว่าควรจะรู้ตัวไหน ถึงจุดหนึ่งรู้เลยทั้งสองตัวนั้นน่ะไม่ใช่ทั้งคู่แหละถ้าจิตยังยังมีความเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงถ้าจิตเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นหนึ่งรวดนะะไม่มีการไปไม่มีการมาเลยล้วยังเห็นไม่ได้นะดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตสองจิตสามจิตสี่ไปก่อนยังไม่ถึงจิตเดียวจิตหนึ่งหลวงปู่บุตดาเรียกจิตเดียวหลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาท่เนเจิตเดิมแท้ หลวงปู่มั่นเรีกขีดที่จิตแล้วแต่จำนวนนะสมเด็จพระยานสังวรท่านเรียกว่ามโนธาตุอะไรเรายังไม่เห็นหรอกงั้นดูดูของกรุงแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะไปย่อยกันกลับไป เอออืมเออนั่นหละเออนะแยกแปสิ่งที่ถูกรู้กับจิตนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกความเศร้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตของเราในขั้นนี้มันจะประพัดสอนข่องใสแต่เป็นจิตที่เมียวิชานะ เพงแต่ผองใสแต่ว่ามันเศร้ามองเพราะกิเลสเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นกล่าวๆพอเรารู้ทันกิเลส น, น้มันจะกระเด็นหลุดออกไปแจ่ก็ผองใสขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องพยายามแยกนะให้มันแยกของมันเอง ถ้ารู้ไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆต่อมาเราสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอละเอียดถึงที่สุดเนี่จะเป็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลําลงไปจ้องมันเวลาดูมันเป็นระรไวยิบยับยิบยับนี่ยอย่าจ้องแต่เนะี่ยถ้าจ้องน้ํามันจะหดลึกเข้าอีกหนีลึก ๆ, ๆๆอย่าลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลวงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัติเนี่ย ดูชํานาญมากเลยนจนกระทั่งมันไหวเยอะๆพี้ครับเสร็จแล้วตามดูไปเรื่อยมันก็นหนีลึกๆเข้าไปวันหนึงไปเจอหลวงปู่สินโดนหลวงปู่สินท่านแซวนะท่านท่านเก่งจริงๆหลวงปู่สินมาเราไม่ได้ถามอะไรท่านนะไปกราบๆท่านนะท่านมองหน้าแล้วท่านยิ้มยิมบอกผู้รู้ผู้รู้ทำผ่าด้วยนะผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนิดฟังแล้วงงนะเอ๊ะเราเคยได้ยินว่าอย่าตกกี่ด อ, อกนอก หลวงปูสิมบออกมาอยู่นอกๆแต่เดิมหลวงปู่ ด, ดูลบอกอยากส่งกี่ด อ, อกนอกลูกติดชั้นดีก็เลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศท่านอายุน้อยกว่าท่านเลยเติมอีกคํานึงไม่ส่งนอกไม่ส่งในลูกติดเลยประคองไม่กลางกลามาถึงสมัยหลวงพ่อท่องเติมอีกประโยคประคองก็ไม่เอาอย่าประคองลูกติดก็พัฒนาการปรุงแต่งตัวเอีงหาทางไม่ประคองอีกแล้ว คืออดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเราปรุงแต่งอยู่นะความปรุงแต่งก็จะขาดไปมรรคนิพพานนิพพานไม่ใช่อะไรนิพพานคือสภาวะธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ใจของเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดมันทําให้เรามองมรรคนิพพานไม่ออกแต่ตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อบอกอะ่ะรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจจิตสงสัยขึ้นมาทราบไหมดูลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะ อะไรน ะ, ระอ๋อไปบวชสิแล้วหลวง่อจะเล่าให้ปังข่าวรัชกาลรกาไหนๆอไหนไหนี้รมเารงางนะ่ี่อ่อะรแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้ว เออกรรมานะโหติกรมาร่านรดูดที่ตามาูดนทางดูแแ่ส่พะรัดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนบมัน ต้อดูอยู่ห่างๆอย่างสักว่ารู้สักว่าดูถ้าคุณดูอยู่ห่างๆคุณจะเริ่มแยกสภาวะออกอย่าสมมติว่าเรานั่งอยู่รับความปวดเกิดขึ้นเราจะได้เห็นเลยว่าขาเราไม่ได้ปวดนะความปวดกับขาเนี่ยคนละอันกันขาเนี่ยอยู่เฉยๆขาเป็นวัตถุขาเป็นก้อนธาตุวัตถุไม่เคยปวดแต่ความปวดเป็นอีกขันหนึ่งอีกเป็นเวทนาขันนี่แทรกเข้ามาในขาแล้วก็เราก็จะเห็นอีกว่าจิตของเราอยู่ต่างหาก นะจิตกับขาก็คนละอันการจิตกับเวทนาก็คนละอันกันเวทนากับร่างกายก็คนละอันกันจะขันมันจะกระจายตัวออกถ้าดูเวทนาดูอย่างนี้นะแล้วจะเห็นเลยเออกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเวทนาส่วนเมทนาแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราอเมัเราเวลาเราเราเห็นสาะีเขาจะดูเขางจะเป็นเาเร ดูดูดูให้เห็นอย่างนี้นะว่าเราบังคับมันไม่ได้นะดูให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวมันก็ไปตรงนี้เดี๋ยวก็มากเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาดูเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นขอละ คือเราดูขันธ์าเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ดูเพื่อบัรคับให้หายนะอย่างเมื่อขานั่งดูไปจะให้หายหายเหมือนกันนะพอเป็นเน็บชาแล้วหายเลยหรือว่านั่งไปนานๆเลือดมันเดินได้เลือดในก็จะเดินได้ก็หาย<ม>กระทั่งการนั่งอยู่นะอย่างบางคนมาถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วเมื่อยเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถได้ไห ม, มคนชอบถามหลวงพ่อก็จะถามว่าอยากจเจริญสติปัฏฐานในปัฏฐานใด ในฐานกายฐานเวทนาหรือฐานจิตหรือฐานธรรมถ้าจะดูกายมันเมื่อยนะกายมันนั่งอยู่มันเมื่อยก็ลุกขึ้นเดินเราจะเห็นในรูปที่นั่งอยู่ดับไปแล้วเกิดเป็นรูปที่เดินขึ้นแผนแล้วเราจะดูกายเนี่ยเราไม่ได้สนใจเวทนาเราให้เห็นว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายนี่ถูกความทุกข์บิบคั้นพอลุกขึ้นเดินนะสบายเดี๋ยวความทุกข์บิบคั้นอีกล้นี่ดูกายแต่ถ้าเราจะดูเวทนาห้ามขยับ ดูไปเรื่อยจนให้เห็นเลยเวทนาปจิตที่ไม่เกี่ยวกันเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูไปเพราะงั้นถ้าจะดูเวทนาก็ต้องทนเอาถ้าจะดูจิตละ่ะเวลามันเมื่อยขึ้นมาจิตกระตักกระส่ายรู้ว่ากระตักกระส่ายเปลี่ยนอิริยาบถเลยจิตมีความสุขแล้วจิตพออกพอใจดีใจแล้วรู้ว่าดีใจมันอยู่ที่เราใช้ฐานอะไรในาการทำำากรรมฐานถ้าจะใช้ฐานเมทนาก็สละเป็นสละตายดูกัน ฐานกายก็ขยับไปเปลีิริยาบทเราดูให้เห็นเลยกายนี้มันต้องอยู่ในอิริยาบถนั้นอิริยาบถ น, นี้แต่ละอิริยาบถทนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้ถ้าจะดูจิตดูให้เห็นเลยมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะร้ายก็เลือกไม่ได้มันจะไปทางตาทางหูหรือทางใจเลือกไม่ได้หรืออย่างต่ำก็เห็นว่าเป็นอนิจจจิตเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึก จิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยเรารู้สึกเดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจาานน จ, จังพ่ออาย์เนถ า, าว่าส่าวให้รเื่อจะเรสภาวะี่ยวางโอ้เดี๋ยวเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้ <laughs> คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งสัก่ ให้คาพูดของลกาดูดู ล, ลึกที่สุดเลยแต่เดิมเราดูจิตนะ้เราเห็นจิตสุขว่างจิตทุกข์ว่างเลยเราก็รู้สึกว่าเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งยังไม่แจ่มแจ้งเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์ว่างนี่เรียกว่าไม่แจ่มแจ้งนะถ้าแจ่มแจ้งจริงๆคือจิตเป็นทุกข์เลืนล้วนจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาจริง ๆ, ๆถ้าเห็นอย่างนี้มันถึงจะยอมปล่อยถ้าไม่ไม่เห็นอย่างนี้ไม่ปล่อยหรอกยังเห็นไม่ได้นะตอนนี้เห็นจิตธรรมดาก่อน ให้จิตมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเสียก่อนสร้างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูเนี่ยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูปุสนสนาปุสสนเกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้ไปก่อนในที่สุดมันจะทิ้งสิ่งต่างๆสิ่งอยาบๆจะทิ้งสิ่งอยากไปก่อนนะแล้วก็ควรกระแสะเข้ามาถึงตัวผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอหรือว่าเคยฟังครูบาอาจารย์สอนไว้มันจะเดินต่อ มันจะไม่อยุดๆแค่นั้นถ้าอยุดๆแค่นั้นจะไปพรมมาโลกเลยตอนก่อนลวงปู่ซูลบรณภาพตามที่หกวันหลวงพ่อไปกราบท่านไปกราบท่านแล้วท่านสอนอยู่จนค่ําเลยนะทักทุ่มหนึ่งนะท่านหอบเลยหอกนี้นะผู้เฒ่าอายุเก้าสิบหกปีหอบเราเห็นแล้วสงสารครูบาอาจารย์บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่บอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ ต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจำไว้นะแล้วไปไปได้แล้วกราบลาท่านนะใจนี้หายเลยรู้สึกอะไรวอนนะหันมามองเป็นระยะระยะเดินไม่กี่ก้าวหันมาดูทีหนึ่งแต่ก่อนนี้เวลากราบครูบาอาจารย์นะกราบแล้วไปเลยไม่รู้สึกอะไร เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนั่งรถไปจากสุรินไปกคราชไปหาหลวงพ่อพุธคนเต็มห้องท่านห้องท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านก็เป็นหน้าหลวงพ่อท่านป็วักมือเรียกอนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหรือรบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเพราะว่าเวลาไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยกลับจะต้องแวะมาหาท่านลุกจิตท่านบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไร หลวงปู่สอนบอกพ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พ่อจิตให้ทำลายจิตท่านเจก็พยักหน้านะ่พยักช้าๆ้านะแบบตายหลวงพ่อพูดแล้วก็พูดช้าชนะ้าด้วยพ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พ่อจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้แหละหลวงพ่อก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อพูดนะนะ หลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเพราผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ควบจิตให้ทำลายจิตแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขยายความให้คำว่าทำลายจิตไม่ใช่แปลว่าทำลายนะเอคำว่าทำลายจิตแปล ว, ว่าไม่ยึดตือจิตปล่อยวางจิตเสร็จแล้วท่านเมตตามากนะคือท่านรู้ว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านเป็นพระผู้น้อยกว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านก็จะไม่บอกว่าท่านจะสอนแทนหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ออกอุบาย ท่านบอกคุณกัหลวงพ่อมาทำกติกาตกลงกันไว้ใครทำลายจิตได้ก่อนนะให้มาบอกกันนะเราต้องช่วยกันนะอย่างนี้รู้ท่านเป็นมหาเถระนะไอเราอยังเป็นเด็กคารวาเลยอายุยี่สิกว่าปีอยุสามสิบอันนีสามสิบพดีเสร็จ แ, แล้วก็ไม่เจอท่านนานนะไปหาท่านท่านก็ค่อยอยู่วัดและแต่หลังๆเดอครั้งสุดท้ายมาเจอท่านที่องค์การโทรศัพท์เนี่ย ก่อนท่านมรณภาพไม่นานเข้าไปถึงท่านเทศฟังท่านเทศจบแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วหลวงพ่อพุทท่านอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกไม่เจอตั้งสิบกว่าปีนะท่านจําได้หลวงพ่อผมยังทําลายจิตไม่ได้เลยคราวนี้นะโอท่านจิตใจท่านนะคึกคักขึ้นมาฉับตันเลยนะทีแรกท่านก็เหนื่ยท่านเป็นมะเร็ง ใกล้มรณภาพแล้วให้พึกคักเึ้นฉับพลันเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เนี่ยเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองโอ้โหพูดห้่าหานฟังแล้วขนลุกเลยนะเราเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเลยในกราบกราบท่านนะลงมากระล่าง ีท่านก็ลงมาขึ้นรถตอรถท่านผ่านหลวงพ่อลงไปหมอบอยู่ที่พื้นนะกลับ ท, ท่านเปิดหน้าต่างมามองนะใจอะไรอววรท่านเลยอยู่ไม่กี่วันท่านก็ไม่อยู่ล้วหลวงพ่อถึงบอกพวกเราได้อย่ามาทําให้หลวงพ่ออะไรอววร น, นะ <c oughs> มีเคสหลายหลายเคสล้วนะทําตัวให้หลวงพ่อไม่คิดถึงไว้อดีมันทําลายของมันเอง บางท่านเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่เป็นดวงประพักสอนเนของใส่ได้ก็ยังหมองได้มองได้ก็ของใส่ได้เออมันของไม่เที่ยงนะแค่นี้ท่านที่ศรัทธาแก่กล้าเข้าวางล้วพวกที่สมาธิกล้าเห็นแค่นี้ไม่วางนะก็เห็นเลยตัวจิตเนี่ยตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แสนจะแสนดีจะดีสว่างบริสุทธิ์หมดจดงดงาม แสนจะสุกแสนจะสบายพอปัญญาแก่รอบขึ้นจริงๆมันกลายเป็นตัวทุกข์ไปได้กลายพลิกหน้ามือเป็นหลังมือฉับตันเลยอยากจะพูดหยาบหยาบนะเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าไปเลยนะมันกลายเป็นทุกข์ฉับตันขึ้มันทุกข์ทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนมีแต่ทุกข์ประดังขึ้นประดังขึ้นดูยังไงก็ไม่ขาดจะสุดสติ ส, สุดปัญญาแล้วต้องยอมตายนะใจก็จะว่างบางท่านท่านปัญญาแก่กล้า ท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่อะไรของท่านเลยท่านยอมคืนให้ธรรมชาติไปเฉยๆสลัดทิ้งไปเฉยๆนั้นอาการที่เห็นอย่างเนี้ยจะมีสามากานี่จําครูบาอาจารย์มานะเดี๋ยวจะมาเล่นงานสัก <c oughs> อ้าวว่างไงค่ะแบบสาววันนีจะสามากตายค่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อ, อ๋อค่ะที่กรุงเทค่ะ ก็ี่เหรูปปฏบไปกระทันหแล้วเกิดมื่อสตจริงเกิดเนี่ยรูปปฏิบัติใช้สติได้รับการทำใจนี่ถได้สุกนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่หวือหวาเหมือนปีติในสมประตนะมันจะมีความสุขโชยแผ่แผ่ขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทาไมอยู่ๆแค่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่จิตมีสติจิตเป็นมหากุศ ล, ลจิตจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศ ล, ลมีความสุขนะมีความสุขโฉยขึ้นมาหรืออย่างต่าที่สุดเป็นอุเบกขานุ่มนวล น, นะไม่ใช่อุเบกขาแบบแข็งคือนะจิตใจจะมีความสุขแต่ว่าพอมันโฉยขึ้นมาความสติเราเริ่รู้ลงไปก็สงบระงับลงไปแต่เขาคุณต้องระวังนะสติยังไม่ดีนะยังหลงอยู่ ตอนนี้รู้สึกไหมอยากพูดไม่เห็นนะอยากพูดไม่เห็นสติยังไม่เกิดแอบไปคิดรู้สึกไหมไอ้คิดเราไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดสติไม่เกิดเพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะรับสติจะเกิดใครอยากเรียนอย่างนี้ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะอยู่ที่นี่ไม่อยากพูด โโปร่งไปขึ้มเป็นเขาโลา่งใสคือจิตที่สมมติว่าเราเผลอๆ อ, อยู่นะพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันจะโล่งเลยโ ล, โล่งโปร่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติจริงๆเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายตัวอันแรกจะมีละอุตตามีความเบาถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆต้องรู้นะว่านั่นอาจ ก, กุศลและจิตแล้วไม่ใช่กุศลจิตที่เป็นกุศลมีมุตุตานุ่มนวลต้องนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่เบาอย่างเดียวแล้ ว, ลวไม่นุ่มนะ รุ่มวนวลเรียมุตุตาจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์ครอบงําเรียกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเปรียวคล่องไหวไม่แข็งไม่ซึนไม่ชื่อ น, นะจิตของคุณื้อชื้ น, นิดนึงดวกไหมชื้อชื้อตัวนี้ยังไม่ใช่นะถ้าฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเ้าคุณผู้หญิงนี้ อะไรนะอือคืทุกอยางที่าที่ไหนก็ได้เลยคกอาเาทท่านยัมวมีัคือนเนี่ยเกัแ่ต้ง่เด็แล้วแม่ก็ม่ก็ไว้ก็แบบผลได้มากๆเราเควาแเรื่งหน้าจกาได้ย่เนาไปานอะ บางครั้างท่จะจำได้ของจำลองบางทานก็จได้จริรู้จิตอันน้จได้ยิ่งดี่เคยคิดนกโง่เล่นอย่างนะเพราะแกคิดถงจอยแตไม่หมดไม่หมดนะเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหันรู้สภาวะนะต้องหันรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปแล้วรู้ทันใจวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้ทัน ใจตั้งใจฟังรู้ทันใจแอบไปคิดรู้ทันหันรู้เรื่อยต้องสติตัวจริงเกิดรู้สึกไหมตอนนี้เปลือยแล้วตอนนี้เปลือยแล้วรู้สึกไหมใช่รู้สึกนะมันวางใหม่ลงแล้วรู้สึกตัวเออไม่ถามต้องหันรู้สึกเอานะอย่าถามเสียเวลา อยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมอยากพูดคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอ่ไม่ต้องบอกก็ได้นะหงพ่อทราบแล้วอ่ะอ้กบอหวอต้น่ันามันตื่นเนี่เราอย่าละเลยเล็กเล็กน้อยๆ้อยนะหัดรู้สภาวะเร้รเราอย่าละเลยนะอ่าใช่ คือถ้าคุณไม่เห็นตัวสภาวะเนี่ยไม่ใช่การจเจริญสติกิเลสไม่ลดหรอกอรถ้าไปเพ่งไม่เฉยเยนะกิเลสจะยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกใช่เราฟังมากเราไม่รู้วเนี่หลงอีกแล้วรู้ไหมของคุณนะต้องระวังเรื่องหนึ่งอย่าพูดนะห้าพูดธรรมะจำไว้นะแล้วจะดีถ้าคุณพูดธรรมะแนละ้วใจคุณจะมันจะขนองมันจะกระโดดโลดเต้นรู้สึกไหมมันจะคึกคลักพั ก, พ ก, พ ก, พกมันอยากพูดธรรมะอยากพูดธรรมะอย่าไปพูดมัน เรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่าเอองั้นอย่าคุยเยอะห้ามคุยห้ามคลุกคลีเบืองต้นพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลีไม่งั้นคุยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้แล้วเวลานั่งสมาธิคือาว่าเรานั่งแต่นั่งไม่ได้อกนั่งนั่งวนไนไเดลยเลยเเลล นะเดินจงกรมห้านาทีไม่ไหวเดินชอปปิ้งสามชั่วโมงได้เพราะอะไรเขาไม่ได้จงใจนะเริ่มต้นอยากนั่งสมาธิเริ่มบังคับตัวเองแล้วนะเริ่มบังคับกายบังคับใจมันคิดธรรมชาตนะิถ้านั่งตามธรรมดาเนี่ยนั่งดูไปดูไปจะสงบหรือไม่สงบช่างมันนะดูไปอย่างนี้แล้วสบายอาอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุยอีกล ะ, กละนั่งหลับเพราะขาดสติเมือ่อวานนี้ท่านยาวจะนั่งหลับแต่่หเออนะดูไป อย่าคุยเยอะนะหลวงพ่อเตือนนะไม่คุยเยอะไม่เล่ากรรมฐานด้วยเราดูของเราหัดใจมันอยากพูดปุ๊บรู้ทันมันแต่มันอยากพูดรู้ทันนะ<ม>เราต้องไม่คลุกคลีนะเบื้องต้นใครได้ซีดีหลวงพ่อนะพยายามฟังนะฟังแล้วหัดสังเกตใจไปเรื่อยหัดสังเกตสภาวะไปไม่นาน้วทำเป็น